ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นการ น, นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเราก็สามารถทำได้หลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นการที่มีใจระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่ ไม่ว่าจะเป็นคำสอนต่างๆเราก็มีใจยินดีมีใจเคารพนบน้อมแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะย่นยอ่อทำให้ได้ง่ายในการที่เราจะนอบน้อมต่อพระองค์คือเรามีใจที่ระลึกนึกถึงพระองค์อยู่ในใจของเรามีพระองค์อยู่การที่เราจะทำย่นยอ่อ ให้ใจเรามีพระองค์อยู่นั้นหรือทาให้พระองค์มาอยู่ในใจของเรานั้นโดยมากเราก็จะนิยมระลึกถึงท่านโดยการปฏิบัติ บ, ตบริกรรมภาวนาโดยการนำชื่อของท่านนั้นมาบริกรรมซึ่งความนิยมนั้นเราก็จะใช้คำว่าพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้ พระพุทธเจ้ า, านั้นก็เป็นผู้รู้คือทรงรู้ความจริงต่างๆและความจริงอันประเสริฐที่ทรงได้รู้นั้นแล้วนํามาบอกสอนบอกต่อแก่ชนรุ่นหลังอย่างเราๆนั้นก็คือความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับทุกข์ความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับเหตุแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับ ความดับไปแห่งทุกข์แล้วก็ความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับทางดำเนินให้ถึงความดับไมเหลือแห่งทุกข์ซึ่งทัพุไดมีทุกข์อยู่ก็อยากจะแนะนำให้มาศึกษาในสิ่งที่พระองค์ได้ทิ้งเอาไว้ให้นั่นคือพระธรรมและในสมัยนี้ก็มีพระหรือสาวก ที่ยังสืบทอดคำสอนสืบทอดปฏิปทาที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นคำสอนหรือปฏิปทาที่พระองค์ได้ทิ้งเอาไว้ให้นั้นก็ยังครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่เข้าใจตามความเป็นจริงเกี่ยวกับทุกเกี่ยวกับเหตุแห่งทุกเกี่ยวกับความดับของทุก เกี่ยวกับทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้เมื่อเราเดินทางสายนี้ได้จุดหมายปลายทางก็เป็นอันที่เราจะพึงหวังได้ก็คือความหมดไปแห่งทุกข์พราะพูดถึงทุกข์แล้วโดยมากเราก็จะนึกถึงที่พึ่งเวลาที่คนเรามีทุกข์เราก็ต้องการที่พึ่งพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้ตรัสไว้เหมือนกัน เวลาที่คนเรามีทุกนั้นเนะ่ะส่วนมากก็จะไปพึ่งเขาบ้างพึ่งรุกขมูลต้นไม้บ้างพึ่งเจดีย์ร้างบ้างเหมือนดังคำพระบาลีที่ว่าบาหุ่งเวสรนังยันติปปตานิวนานิจัอารามารุก ข, ขเจตยานิมนุษาพยตัตชิตาก็แปลความได้ว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อมีภัยคุกคามแล้วเนี่ย ก็ไปพึ่งภูเขาบ้างเจดีย์ร้างบ้างรุกขมมลบ้างแล้วก็ได้ส่งตรัสต่อไปว่าเนตังโคสารนังขี้มังเนตังสรารนมุตตมังเนตังสาระนามากัมมะสัปปะดุขานัปมุจจติก็หมายความว่าเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอนัอนอุดม ไม่สามารถที่จะให้หลุดพ้นจากทุกได้และอะไรล่ะที่เป็นที่พึ่งที่พระเจ้าท่านได้สนำเสนอและวางแนวเอาไว้ให้ท่านก็ให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมพระองค์ถึงได้ตรัสอย่างนั้นเพราะว่าการที่เรามาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้น ก็สามารถเป็นเหตุที่จะนําตนให้ออกจากทุกข์ได้หรือพ้นทุกข์ได้เหมือนดังพระบาลีที่ได้ตรัสเอาไว้ว่าโยจะพุทธานจะทำมันจะสร้างคัญจะสรณังกระโตจตาริอริยสจานีิสมัปปัญญายปสติดุกขังดุขสมุปปังดุกขะสัจจะอติกมังอริยญจะทั้งกิกังมกัง ดูคู่ปะสมกามินังก็แปลได้ว่าถ้าผู้ใดถึงประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็จะสามารถเห็นอริยสัจทั้งสี่ก็คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับของทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อเห็นอย่างนี้ ก็จะนําตนให้หลุดพ้นจากความทุก์ไปได้หรือทุกนั้นก็จะดับไปได้พ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งก่อนพอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีใจที่จะมาศึกษาปฏิบัติ แล้วก็จะเห็นอริยสัจทั้ง4ได้ตามความเป็นจริงพอรู้ได้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะหลุดพ้นจากทุกไปได้เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสตัวก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งก่อนแต่จะย่นย่อ ก, ก็ขอให้ถึงพระพุทธเจ้านี่แหละว่าเป็นที่พึ่งเราจะถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งได้ยังไง ก็โดยการที่อย่างง่้าที่สุดก็ระลึกทึกนึกถึงท่านง่ายเข้าไปอีกก็คือการระลึกนึกถึงท่านด้วยการนึกพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจก็ได้พุโทโธก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละพอเราบริกรรมพุโทโธนึกพุโทโธอยู่ในใจบ่อยๆอารมณ์ในใจของเราก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในใจ เมื่อเราระลึกนึกถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจนานเข้าบ่อยเข้าใจเราก็จะสงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ของใจเราก็จะมาตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ของการนึกพุทธโธหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็ขอย้อนกลับไปตอนต้นที่ว่าเวลาที่มนุษย์นั้น โดนภัยคุกคามอยู่แล้วก็จะไปพึ่งอย่างอื่นโดยมากที่พึ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพึ่งเทวดาไม่ว่าจะเป็นการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โน่นนี่นั่นต่าง ๆ, ต า, งๆตามความเชื่อทิฏฐิของเราพรเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่ายังไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันกเกษมแล้วภัยเมื่อกี้ได้พูดถึงภัย แล้วเวลาที่ภัยมันมาคุกคามมนุษย์เราเนี่ยภัยนั้นเนี่ยมันมีอะไรไบ้างภัยก็มีต่างๆมากมายเลยพระเจ้าก็ได้พูดถึงภัยเอาไว้ว่าภัยบางอย่างก็สามารถจะช่วยกันได้ภัยบางอย่างก็ช่วยกันไม่ได้แม้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราก็ช่วยเราไม่ได้เช่นกันแล้วภัยบางอย่างที่ พ่อแม่พี่น้องเราช่วยได้มีอะไรบ้างบางครั้งเราอาจจะคิดไปว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามเราอยู่ในภาวะสงครามพ่อแม่พี่น้องเราอาจจะช่วยเราไม่ได้แต่จริงแล้วเนี่ยก็ยังมีบางเคสบางกรณีที่พ่อแม่พี่น้องก็ยังสามารถจะช่วยเราในยามมีภัยสงครามอยู่ได้ หรือแม้ในภาวะที่มีภัยต่างๆก็ครอบครัวนี่แหละเพื่อนฝูงนี่แหละหรือกระยาณธรรมิรต่างๆเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือเราแต่ไม่ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือเราอยังไงก็จะมีภัยอยู่บางประเภทที่ไม่มีใครสามารถจะช่วยเราได้ภัยที่ว่านั้นเป็นอย่างไงบ้างพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้อยู่สามอย่างคือ ภัยที่เกิดจากความแก่ก็คือชราภัยอันที่สองก็คือพยัาธิภัยภัยที่เกิดจากความป่วยไข้การเจ็บไข้อย่างนี้แล้วก็สุดท้ายมารณะภัยภัยที่เกิดจากความตายนี่แหละทำไมถึงบอกว่าภัยสาม อย่างนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ช่วยเราไม่ได้ลองคิดดูว่าคนเราเนี่ยก็แก่ลงทุกวันทุกวันทุกวันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะบอกว่าขอให้พ่อของเราแม่ของเราแก่แก่แทนเราหรือเราจะแก่แทนพ่อแม่อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้หรือแม้ว่าเราจะป่วย แล้วพ่อแม่ของเราก็บอกว่าขอความป่วยของลูกของเราจงมาอยู่ที่เราแทนอันนี้ก็ทำไม่ได้จะป่วยไข้แทนกันก็ทำไม่ได้ท้ายที่สุดคือความตายก็ไม่มีใครใต้แทนกันได้เวลาที่มรณะภัยมาเยือนแล้วก็เป็นมรณะภัยของผู้นั้นผู้นั้นจะขอให้มรณะภัยของผู้นั้น มาอยู่ที่เราให้เราได้รับมราณาภัยนั้นๆแทนก็เป็นไปไม่ได้ภัยสามอย่างนี้แหละที่ไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่เราเท่านั้นที่เราจะต้องสวยเอาไว้รับผลเอาไว้แต่ในเมื่อเราจะต้องรับความแก่ความเจ็บและความตายอย่างนี้เราจะเตรียมตัวยังไง เราจะทำยังไงสุดท้ายก็วกไปอยู่ที่เราต้องสร้างที่พึ่งที่พึ่งที่เราจะพึ่งหลังจากที่เราโดนมาราณะภัยคุกขามเราจะต้องมั่นใจได้ว่าหลังความตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปสุคติพระเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้แล้วว่าการที่เรามีจิตผ่องใส ไม่ขุนมัวในจิตสุดท้ายเนี่ยก็จะสร้างความการันตีเครื่องการันตีให้เราได้ดังพระบาลีที่ว่าจิตเตอสังกฤตเถสุขติปาติกังขาก็าคือก่อนตายเนี่ยถ้าจิตเราไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวก็มีสุขติพึงหวังได้แต่ถ้าจิตเตสังกฤตเถทุกติปาติกังขา ก็คือก่อนตายจิตเราซ่อมหมองคุณมัวเนี่ยก็มีทุกขติเป็นที่หวังได้พอพูดถึงเรื่องนี้นี่ก็นึกถึงนิทานธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของนายมัทถกุลทลีนายมัทถกุลทลีเนี่ยเกิดในครอบครัวเศรษฐีแต่ถึงแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวเศรษฐีเนี่ยแต่ก็ได้พ่อแม่ที่มีความตรนี ไม่ยอมให้ทำบุญให้ทานมีความตระหนี่มากพอนายมัทถ ก, กุลีเนี่ยโตขึ้นได้ประมาณหนึ่งก็เกิดป่วยขึ้นมาป่วยจนป่วยหนักเลยแต่ด้วยความตระหนี่ของผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยก็ไม่อยากจะเสียเงินเสียทองไปกับการที่จ้างหมอเพื่อจะมารักษานายมัทถ ก, กุลธี พ่อก็อยากจะรักษาลูกให้หายนั่นแหละแต่ด้วยความตระหนี่ก็ได้แต่ไปถามสูตรยาแล้วก็มาปรุงยาเองก็ไม่ได้วินิจฉัยโรคได้ถูกหรอกเพราะฉะนั้นสูตรยาที่มาปรุงเนี่ยมันก็ไม่ได้รักษาให้ถูกต้องให้หายขาดจากโรคไปได้สุดท้ายก็ทําให้โรคที่มันมีเนี่ยกาเริบขึ้นแล้วก็ซุดหนักจนใกล้จะตายแล้ว ถึงแม้ใกล้จะตายขนาดนี้ตัวพ่อเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปตามหมอมารักษาแล้วเขาทำยังไงเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดญาติเนี่ยมาเยี่ยมเพื่อนฝูงไม่เยี่ยมก็จะต้องเสียค่าตอนรับดูแลข้าวปลาอาหารน้ำท่าต่างๆก็เอาลูกคือในมัทกุลทลีเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ ซ่อนเอาไว้ยังไงก็คือซ่อนเอาวางไว้ตรงระเบียงด้านนอกไม่ให้ใครเห็นจากหน้าบ้านไม่ให้ใครรู้ว่านายมัท ก, กุณทลีอยู่บ้านทุกเช้าเนี่ยพระเจ้าก่อนจะบินทบาทก็จะทรงเข้าสมาธิตรวจดูเวนยสัตว์ก็พอดีนายมัทธคุณทลีเนี่ยก็ไปเข้าในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงตรวจดูว่า นายมัททักกุนทลีเนี่ยก็ใกล้าตายแล้วก็สงสา ว, ว่าถ้านายมัททักกุนทลีเนี่ยตายไปเนี่ยก็จะไม่ได้ไปสวรรค์แต่ถ้าพระองค์ไปโปรดคือเพียงแค่ไปยืนให้ในายมัททักกุนทลีเห็นเนี่ยจิตของนายมัททักกุนทลีก็จะเกิดความเลื่อมใสในพระองค์เพราะจิตมีความเลื่อมใสจิตเป็นบุญจิตผ่องใส ตายจากอัตภาพนี้ไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเมื่อทรงพิจารณาได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยตอนเช้าก็ได้บินทบาตไปผ่านหน้าบ้านของนายมัถ ธ, ธ ก, กุลทลีซึ่งพระองค์ก็ไปหยุดยืนรอรับบาทแต่ที่บ้านนั้นก็ไม่ได้ใส่บาทอะไรเพราะว่าในเศรษฐีนะั้นเป็นคนที่ตรนีมาก เมื่อพระองค์ไปยืนอยู่แล้วเนี่ยก็ได้ทรงเปล่งรัศมีเพื่อเป็นที่สังเกตเกนายนมัฏฐกุทาลีในนิมัฏฐกุทาลีได้เห็นพระองค์แล้วเกิดมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ขึ้นมาแล้วก็ได้ตายจากภาพความเป็นมนุษย์นี้ด้วยอ น, นิสงส์ของการที่จิตผ่องใสจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตร อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ก็จะชี้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นถึงอนิสงของการที่เรามีความระลึกมีความนอบน้อมในพระพระทุทธเจ้าแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งนิดหนึ่งบุญในนี้ก็ส่งผลมีอนิสงเป็นที่พึ่งให้เราเนี่ยได้ไปสวรรค์ได้ เพราะนั้นการที่เราโดนมรณภัยโดนพยาธิภัยโดนชราภัยคุกคามอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมันมั่นฝึกฝนจิตของเราให้ชินให้คุ้นชินกับการที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ซึ่งก็ไม่ได้ทํายากอะไร เพียงแค่เรานึกถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่บ่อยๆนึกถึงพุโทโธพุโทโธให้ได้บ่อยๆซึ่งคนป่วยบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความที่อบางคนอาจจะหายใจยากบางคนอาจจะปวดตรงโน้นปวดตรงนี้มากเราก็อย่าไปใส่ใจกับอาการของร่างกายของเราเราก็ดึงความสนใจ ดึงความใส่ใจของเราอันนี้เนี่ยมาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมีความระลึกมีความรู้ตัวอยู่ที่เฉพาะหน้าของเราเนี่แหละอยู่ที่คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่ต้องไปผูกกับจังหวะของการหายใจก็ได้แค่เรานึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่บ่อย บางคนอาจจะบอกว่าให้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทซึ่งอันนั้นก็เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจแต่ถ้าเกิดเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจหายใจลำบากหายใจเจ็บเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับความเจ็บหรือการหายใจ เราก็เอาความใส่ใจความสนใจของเราเนี่ยมาอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธที่เรากำลังนึกกำลังบริกรรมอยู่ซึ่งในกรณีของคนที่ป่วยหนักมากๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญต่อคนป่วยไม่แพ้การบริกรรมทาให้จิตอยู่กับคำบริกรรมนั้นเนี่ยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือคนรอบข้างนี่แหละ คนรอบข้างนี้ก็ต้องทําตัวเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีหมายความว่ายัางไงแน่นอนความพลัดพรากความจักจรมันจะต้องมาเยือนแน่นอนในการที่เราไปเยี่ยมคนป่วยเราก็ต้องไม่ซ้ําเติมเขาเราต้องรักษาใจของเขา ใ, ใจของเขาเนี่ยอยู่ในแดนกุศลถ้าเขาเห็นเรา ร้องไห้คร่ำครวญถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแสดงออกที่ดีว่าเราห่วงใยว่าเรามีความระลึกนึกถึงแต่มันก็เป็นการที่ทําให้จิตของคนที่เสพเนี่ยมันก็เศร้าหมองคุ้นบัวกันไปไม่ว่าจะเป็นตัวคนไปเยี่ยมเศร้าหมองเองก็ผ่านให้คนที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยก็เศร้าหมองไปด้วย เพื่อนคนที่ไปเยี่ยมคนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยก็จึงจําเป็นที่จะต้องหัดภาวนาเช่นเดียวกันหัดทําให้ใจของตัวเราเองเนี่ยเป็นจิตใจที่ช่ำชื่นบึกบานก็เหมือนคนมีทุกขเนี่ยเพื่อนเรามีทุกเนี่ยเราจะทุกไปกับเพื่อนหรือเราจะทําให้ตัวเองแจ่มใสผ่องใสแล้วดึงเพื่อนให้ผ่องใสแจ่มใสขึ้นมา ซึ่งเราว่าอย่างหลังเนี่ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นการที่คนรอบข้างเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันก็ต้องสร้างสภาวะแวดล้อมให้กับคนป่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีคือความสงบไม่กวนคนป่วยมากจนเกินไปเวลามาเยี่ยมก็รักษาใจให้ดี อย่าให้ใจเราโดนความทุกข์มันกลุ่มหลุมแล้วก็นำไปทับถมกับคนป่วยซึ่งตามสมมุติโลกเนี่ยมันอาจจะดูดีแต่ความเป็นจริงก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือเราต้องสร้างเหตุปัจจัยให้คนป่วยได้มีจิตใจที่สงบตั้งมั่นสงบเย็นแล้วสามารถที่จะ อยู่กับคาบริกรรมคือคำว่าพุโทโธพุโทโธอยู่ได้ซึ่งถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยให้กับคนป่วยได้อย่างนี้เราก็จะขึ้นชื่อได้ว่าเราก็เป็นผู้ที่เป็นกัลยะาณมิตรเป็นคนที่มีส่วนในการสร้างที่พึ่งที่ดีให้กับเพื่อนของเราไม่ต้องไปนึกถึงเหตุการณ์อะไรให้มันยุ่งยาก ดูนึกยากสำหรับคนป่วยขอเพียงแค่ให้เขาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในใจนี่แหละแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องสลับซับซ้อนไปนึกถึงวันนั้นที่เราได้ทำบุญไม่ต้องไปนึกถึงวันนั้นในวันที่เราได้ปฏิบัติถามว่านึกได้ไหมก็ดีแต่ถ้ามันนึกแล้วมันยากมันทำยากสำหรับคนป่วยเนี่ยเราก็ให้เขานึก ระรึกอยู่ง่ายๆคือพุโทโธนี่แหละมีพุโทโธเป็นอารมณ์มีพุโทโธอยู่ในใจแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพียงพอที่จะไปสุคติได้แล้วด้วยอำนาจคุณความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเราจะยึดอะไรเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้านี่แหละที่เราต้องยึดเอาไว้เป็นที่พึ่ง แต่ถ้าเราระลึกนึกถึงพระบุทธเจ้าจนมีพุโทโธเป็นอารมณ์อยู่ในใจแล้วเนี่ยสำหรับผู้ป่วยถ้ายังมีกำลังพอมีแรงพอก็ลองมาพิจารณาดูเราพึ่งใครได้เราพึ่งใครไม่ได้เลยตอนนี้ไฟมันมารุม เผาบ้านของเราแล้วบ้านเราก็คือท่าสี่ขันห้าตัวนี้แล้วมันกําลังจะแตกดับแล้วเราจะทํำยังไงก็พึ่งพุโทโธนี่แหละให้ใจเราเกาะพุโทโธไปพุโทโธก็คือประตูทางออกของจิตของเรานี่แหละเราจะพึ่งเพื่อนหรือก็อยังไม่ใช่ที่พึ่งที่ดีแล้วเพื่อนที่เราคิดถึง ญาติพี่น้องที่เราหวยหาเมื่อเราตายจากไปแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะไปกับเราได้ไปอยู่กับเราได้แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องตายแต่ตายไปแล้วก็ใช่ว่าจะไปอยู่กับเราอยู่ในที่ที่เดียวกับเราซึ่งตายไปแล้วเนี่ยกรรมต่างหากเป็นตัวกําหนดถ้ามีกรรมดีมากก็ไปสวรรค์ถ้ามีบาปมาก ก็ไปอบายก็มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์ทีราฉาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะไปหวังให้ใครมาอยู่กับเราจะไปหวังพึ่งใครจะห่วงใครไม่ต้องไปใส่ใจละเกิดมาคนเดียวมันก็ไปคนเดียว ดังนั้สิ่งที่เราต้องทําก็คืออย่าไปใส่ใจอะไรปล่อยวางได้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอตายไปแล้วมันก็ไม่มีสาระอะไรกับเราต่อไปในเมื่อมันไม่มีสาระยั่งยืนเที่ยงแท้ก็อย่าเอาใจไปผูกกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องเงินทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าแม้จะเป็นพี่น้อง พ่อแม่เพื่อนฝูงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรในระหว่างทางที่เราจะตายจากโลกนี้ไปมีแค่เราคนเดียวกับจิตดวงเดียวที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนี่แหละที่จะไปแต่จะไปไหนก็แล้วแต่บุญแล้วแต่บาปของเรา เป็นการที่เรามีจิตรลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้แน่นอนว่าจิตของเราก็เป็นบุญมีความสงบมีความผ่องใสตายจากอัตภาพนี้ไปก็มีสติเป็นที่หวังได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นพรหมแต่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเนี่ยสุดท้ายก็ยังเป็นผู้ที่ เกลือกกลั่วอยู่ในเขตแดนของทุกอยู่ไม่ว่าจะเป็นพรหมก็ยังมีทุกได้เป็นเทวดาก็มีทุกตอนนี้เราสวยอัตภาพเป็นมนุษย์แน่นอนเราเห็นทุกอย่างแจ่มชัดแล้วแม้ในขณะ น, นี้ทุกของร่างกายเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนแต่ร่างกายมันเป็นทุกเนี่ย ก็อย่าให้ใจเราเป็นทุกข์ไปด้วยร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งใจเราตั้งมั่นอยู่กับพุโทโธอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าความดิ้นรนของใจของเราเนี่ยก็สงบระงับลงไปส่วนกายมันก็แปลเปลี่ยนไปตามสภาพของมันทำให้เรายิ่งมั่นใจได้ว่าทุกกายก็ส่วนหนึ่งทุกใจก็ส่วนหนึ่ง ถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับพุโทโธอย่างนี้แล้วเนี่ยความที่ทุกข์กายมันจะมาทับถมใจเราก็สามารถที่จะลดทอนมันไปได้หรือไม่มันก็แยกให้เราเห็นได้ชัดว่าทุกข์กายไม่สามารถทุ่มทับจิตใจเราได้ในเมื่อมนุษย์ก็ยังมีทุกข์เทวดาก็ยังมีทุกข์พระมก็มีทุกข์ สามแดนนี้ก็ยังไม่เป็นที่น่าหวังต่อเราอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราพึงจะหวังเนี่ยก็คือที่สุดแห่งทุกข์ดินแดนที่พระเจ้าบอกว่าเป็นดินแดนที่พระสจักความทุกข์นั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองซึ่งหนทางที่จะไปสู่พระนิพพานเนี่ย ก็เปิดกว้างสำหรับทุกคนทุกท่านขอเพียงแต่เราเห็นถึงสาระแล ะ, และความไม่เป็นสาระของสิ่งต่างๆได้ยอย่างชัดเจนอยู่ในใจของเราเราก็จะขึ้นชื่อว่าอยู่บนทางเดินไปสู่พระนิพพานได้และการที่เราไม่เห็นสาระของการเกิดไม่เห็นสาระ ของการดำรงอยู่ไม่เห็นสาระของการที่แก่และตายเพราะว่าการที่เรายังมาเกิดอยู่มันก็มีแก่มีเจ็บมีตายอยู่ตายไปก็ไปเสวยอัตภาพใหม่เพราะความไม่รู้เพราะความยังยินดีในสิ่งที่ไม่มีสาระอยู่อย่างนี้มันก็ทำให้เราเวียนเกิดและวเวียนตายอยู่ แต่การที่เราเห็นถึงโทษของการที่เรามาเวียนเกิดเวียนตายเราก็จะไม่ไปใส่ใจอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจอย่าไปยินดีอย่าไปพอใจกับความไม่มีสาระเหล่านั้นถ้าเรายังยินดีก็คือชีอวเราก็ยังอยู่ในวัฏจักรของการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ แล้วอะไรที่ทำให้เราหลุดออกจากวัฏจักรอันนี้ล่ะ่อ ก, การที่เรามีที่พึ่งอันใหม่มีที่พึ่งคือสติที่อยู่กับพุทโธพอมีสติอยู่กับพุทโธแล้วเราก็ไม่เห็นสาระเห็นคุณในธาตุสี่ขันห้าอันนี้ไม่ว่าจะอัตภาพละเอียดกายทิพก็ตา มันก็ตายได้เพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นทางเป็นปากทางให้เราเข้าไปใกล้เขตแดนของความทุกข์ได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่ปฏิเสธแต่ไม่ใช่การที่เรามายี้สายไม่ใช่การที่เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ไปยุ่งกับมัน รู้ว่าการที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่มันไม่ดีเราก็ทำใจเป็นกลางไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจมีใจเป็นกลางอยู่กับสติอยู่กับความสงบอันนี้อยู่กับพุทโธที่เรามีซึ่งถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ได้<ร>เห็นถึงความไม่มีสาระรเห็นถึงความไม่มีแก่นสารในสิ่งที่ ใจเรามันไปค่องไปผูกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเข่าของเงินทองเพื่อนฝูงสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีสาระอะไรเตาไฟไปเผามันก็เป็นเพียงแค่ดินกองหนึ่งเหลือแค่ดินกองหนึ่งหรือแม้แต่ตัวเองตัวเราเองเข้าเตาเผามันก็เหลือแค่ดินกองหนึ่งเท่านั้น ชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือแก่หรือป่วยสุดท้ายมันก็ไม่มีสาระอะไรเพราะฉะนั้นสาระสาคัญของการเกิดมาให้มันมีสาระก็คือการที่เรามารู้เข้าใจตามความเป็นจริงให้เห็นถึงความไม่มีสาระเกี่ยนสารของการเกิดแก่เจ็บตายนี่ลย พรู้ว่ามันไม่มีสาระก็ไม่เอาใจไปผูกเอาไว้ไม่เอาใจไปยึดเอาไว้ไม่เอาใจไปยินดีแล้วรู้ว่าเราควรจะวางใจไว้ที่สติสติเฉพาะหน้าของเราเพราะว่าเมื่อเราวางสติไว้ที่เฉพาะหน้าของเราว่ามาใส่ใจอยู่ที่สติเฉพาะหน้าของเรา เราจึงจะดึงใจออกมาจากขันของเราคือรูปอันนี้กายอันนี้ได้จะดึงใจออกมาจากความรู้สึกผูกพันจากพี่น้องเพื่อนฝูงข้าวของเงินทองต่างๆได้ยกมาไว้อยู่ที่ความสงบต ร, ตรงนี้จึงจะปล่อยสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถ่าวใจมาอยู่ตรงนี้ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ความเบาสบายความ ผ่องใสความปลอดโปรง่งก็จะเกิดขึ้นกับเราได้เป็นที่พึ่งอันเกษมได้เป็นที่พึ่งที่เราจะหลุดพน้นออกจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือขอให้เราระลึกนึกถึงพุทโธมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในพระธรรมมีความมั่นใจในพระสงฆ์วันนี่แหละคือสิ่งที่ดี พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในสิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้พระธรรมก็เป็นธรรมที่ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้พระสงฆ์ที่คอยบอกสอนเนี่ยก็เป็นผู้ที่นำคำของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมเนี่ยมาบอกต่อให้เราให้เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ทำที่พึ่งให้แก่ตนได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แก่ตนได้ ซึ่งเบื้องต้นก็ขอตอกย้ำอีกทีหนึ่งว่าพยายามให้ใจเรารึกนึกถึงอยู่กับพุโทโธให้ได้เมื่อใจเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธจนมีความสงบแล้วจนมีความสบายเกิดขึ้นในใจแล้วมีอารมณ์สบายเกิดขึ้นในใจเราก็เอาความสบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเรา ค่อยๆมาตรองมาพิจารณาถึงความไม่มีสาระของร่างกายของเรานี่แหละจนให้ใจมันคลายความยึดถือยึดมั่นในร่างกายเราในร่างกายของคนอื่นซึ่งสุดท้ายเราก็จะเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นเราไม่ว่าจะเป็นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆสุดท้ายมันก็เท่ากันตรงที่เป็นดินก้อนหนึ่ง มันไม่ได้มีสัตว์ไม่ได้มีบุคคลไม่ได้มีตัวตนมีเรามีเขาอย่างแท้จริงและแน่นอนเป็นเพียงสมมติเพราะว่าเราเอาไปเผาไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาแมวไก่หรือว่าแม้กระทั่งเราเพื่อนเราพอเผาไฟแล้วก็เหลือขี้เข้ากองหนึ่งแยกไม่ออกว่าเป็นขี้เท้าของอะไร ใจของเรามันจะไปสำคัญของขี้เท่าอันนี้ว่าเป็นเพื่อนอเราว่าเป็นเราได้ไหมก็ไม่ได้ึ่งความจริงความจริงของสิ่งเดียวมันต้องมีแค่สิ่งเดียวถ้ามันมีหลายสิ่งแสดงว่ามันยังไม่จริงเระฉนั้นการที่เราเห็นธาตุ ด, ดินอนันนี้เป็นหมาบ้างเป็นคนบ้างมันก็ไม่ได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพียงแต่ เห็นไปตามสมมุติเท่านั้นซึ่งถ้าเรารู้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งของบ้านเรือนเผาหมดแล้วมันก็กลายเป็นขี้เท่ากองหนึ่งมันก็เท่ากันตรงที่ความเป็นเป็นดินกองหนึ่งนั่นแหละเราจะไปเอาสาระเอาความผูกพันอะไรกับดินกองหนึ่งเวลาเราเห็นดินกองนึงแล้วเนี่ย จะเห็นเพื่อนของเรามันก็ควรจะมีความจริงที่เท่ากันคือเขาก็เป็นดินกองหนึ่งเหมือนกันแม้ตัวเราเองก็เป็นดินกองหนึ่งอย่าให้มีความรู้สึกในใจว่าอันนี้คือคนอันนี้คือสัตว์อันนี้คือสิ่งของแต่ถ้าใจเรารับรู้รับทราบจากการพิจารณาแล้วเนี่ยสุดท้ายไปเผาไฟก็เหลือดินกองหนึ่งเท่านั้น เราก็จะได้เป็นผู้ที่ถอดถอนจากความเห็นที่ว่านี่คือคนนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลตัวตนเราเขาทำให้ใจเราเบาสบายปล่อยวางได้มากขึ้นตั้งมั่นอยู่กับความสงบได้ดีขึ้นก็อยากจะย้าว่าพื้นฐานเนี่ยก็คือให้ใจเราตั้งมั่นอยู่กับพุทโธซะก่อน ขอให้นึกพุโทโธได้บ่อยๆนึกพุโทโธให้ได้จนชำนาญและมีพุโทโธเป็นที่พึ่ง